ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธอาธิบาญนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยห้าสิบสามคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่ยี่สิบแปดในพระวิงวอนที่สามครับขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่ว่าเมื่อเราอาธิษฐานขอให้เป็นไปนตามน้ำมันทัยของพระองค์นั้นพระเจ้าไม่ได้บังคับเรา ให้ทําตามแผนการของพระองค์นะครับพระเจ้าต้องการให้เราสมัครใจด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับจักรวาลนี้ครับและจักรวาลนี้อยู่ในแผนของพระเจ้าซึ่งดําเนินไปด้วยกฎธรรมชาติของพระองค์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระองค์มีกฎนะครับมีกฎสําหรับมนุษย์ทุกคนที่อยู่โลกนี้เป็นกฎของจักรวาลนี้เช่นถ้าอยู่ในโลกนี้เราต้องตกอยู่ภายใต้กฎแรงโน้มถ่วงของโลก หลักการของจิตวิทยาหรือแม้ทังวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์โภชนาการสุขภาพสุขลักษณะที่ดีสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นกฎที่พระเจ้ามีไว้สำหรับมนุษย์และหลายครั้งทีเดียวนะครับกฎนั้นออกมาในเชิงของเรียกว่ากฎทางศีลธรรมด้วยก็คือม o r a ล l อ w นั่นเองมอ r a ลสูแปลว่าศีลธรรมนะครับลอซึ่งแปลว่ากฎหมายพระเจ้าก็ได้ คอมบิเนชันหรือคอมไบนะครับระหว่างกฎแห่งสุขภาพและก็กฎหมายแสงยานเข้าด้วยกันในพระบรมปีเดิมเราเห็นได้ว่าในพระบรมปีเดิมนั้นมีการห้ามกินเนื้อบางประเภทนะครับหรือสัตว์บางประเภทที่ถือว่าเป็นหมุนทินแน่นอนครับยกตัวอย่างง่ายๆครับปลาที่ไม่ปิเกตเนี่ยถือว่าเป็นหมุนทินครับเกิดปลานั้นมีไว้ทางวิทยาศาสตร์คือสําหรับการป้องกันนะครับการแลกเปลี่ยน ระหว่างตัวปลาเองกับสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะครับเกล็ดเนี่ยสามารถที่จะลดการซึมซับของพิษบนผิวของปลาได้และนี่คือสิ่งต่างที่พระเจ้าสอนคนอิสอราเอลที่จะไม่ให้กินปลาที่ไม่มีเกล็ดอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งครับมีประเด็นอีกหลายอย่างครับ แต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องอาหารสุขภาพและจิตวิญญาณจะรมาคุยกันเรื่องกฎครับกฎต่างๆเหล่านี้ถ้าใครทําผิดกฎนะครับเขาจะต้องรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ตามมายกอย่างเช่นพระเจ้าทรงมีกฎเกี่ยวกับเพศครับคนที่สัมผัสเอจก็คงจะต้องติดเชื้อเอจบางคนก็เข้าใจผิดแล้วพูดว่าพระเจ้าลงโทษเขาพูดแล้วอย่างนี้นะครับเหมือนกับการกล่าวหาพระเจ้าครับ อแล้ครับเหมือนกับพระพเจ้ากดปุ่มอะไบนสวรรค์แล้วก็เขาก็ติดเชื้อไม่ใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเขาเขาทำผิดกดสุขภาพนะครับเขาทําผิดกดสุขภาพโดยการสัมผัสเอและติดเชื้ออยู่ในความบาปและติดเชื้อเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนเลือดแล้วก็ติดเชื้อนะครับมไม่เป็นกดบางกฎที่พระเจ้าได้ตั้งขึ้นมานะครับแล้วสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นจริงๆ ถ้าเขาทําผิดกฎสุขภาพนะครับหรือเขาริ่มเริ่มกฎสุขภาพในชีวิตของเขาแน่นอนครับเขาก็แข็งแรงแต่ถ้าเขาฝ่าฝืนกฎอันนี้เขาก็ย่อมอ่อนแอและเจ็บป่วยในที่สุดพี่น้องครับเราไม่ได้ทําตามหน้าปัฒนไทยของพระเจ้าในบางครั้งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรกันแน่ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราไม่ได้รับการขึ้ น, นเงินเดือนตามที่เราคาดไว้เราอาจจะรู้สึกโกรธ เราอาจจะไม่ได้รับการึ้นเงินเดือนเพราะเราเองไม่รู้ว่าองค์กรคาดหวังอะไรนะครับไม่รู้ว่าองค์กรมีเคทีาออย่างไรไม่รู้ว่าการทำงานที่ดีที่ถูกนั้นควรเป็นอย่างไรแนครับแต่ถ้าเรากลับกันนะครับอยู่ในกฎเกณฑ์นี้ก็คือว่าเรารู้ตัวชี้วัดเรารู้ผลงานว่าเขาต้องการอะไรแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไม่สับสน แังเงินเดินของเราจะได้ขึ้นตามที่เราพอใจแน่นอนทานองเดียวกันครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระไถยของพระองค์เรากําลังขอพระเจ้าให้บอกว่าเราจะต้องทําอะไรถึงจะถูกพระไถยพระเจ้าถูกใจพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมอยากจะให้ประเด็นต่างๆนะครับเมื่อเราอาธิษฐานตามแบบที่เบียสูสงสอนในเรื่องของข อ, งขอให้ เป็นไปนตามพระไตยของโถงนะครับเมื่อเราบอกว่าขอให้เป็นไปนตามพระไตยของโถงนั้นเรากําลังเรากําลังมอบตัวเองครับให้กับพระเจ้ามอบตัวเองแด่พระเจ้าคือการเริ่มต้นชีวิตการอธิษฐานของเราครับหลายครั้งนะครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับเรากําลังพูดว่าพระเจ้าไม่ได้ยอมรับโลกอย่างที่เป็นอยู่ พระเจ้าไม่อชอบอาชญากรรมนะครับการไม่ใยดีก่อคนอื่นหรือโรคร้ายโายครคภัยไข้เจ็บพระเจ้าไม่ต้องการนักการเมืองที่พูดโกหกหรือนักธุรกิจที่ชอบฉนคดโกงเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพรงะองค์เรากําลังขอให้พระเจ้าเปลี่ยนโลกนะครับอีกในหนึ่งก็คือว่าเรากำลังขอพระเจ้าให้ช่วยเปลี่ยนใ ห, ให้ช่วยให้เราเปลี่ยนโลกด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้อง เปลี่ยนโลกให้ไปไปตามแผนการของพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนโลกในสถานเดียวกันนั้นเราขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นผู้เปลี่ยนโลกกลับในดีนะครับเขาเรียกว่าผู้คว่าโลกนะครับคริสเตียนหลายคนนั้นเห็นการช่อฉลนคดโกงมากจนรู้สึกหมดหวังแต่พระเยซูไม่ได้ตอบสนองเช่นนั้นครับทรงเห็นคนแลกเงินที่ช่อฉลนคดโกงในพระวิหาร พรงชงไล่พวกเขาออกไปครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับพระเยซูทรงชำระพระวิหารถึงสองครั้งด้วยกันคือในช่วงตอนต้นและในช่วงตอ น, ตอนท้ายพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้นั่นแหละครับนี่คือประเด็นแรกคือเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นก็คือเราปรารถนาที่จะมอบตัวเองแด่พระเจ้านะครับ มอบตัวเองแด่พระเจ้าอันที่สองครับประเด็นที่สองต่อไปก็คือว่าการอธิษฐานนั้นเป็นการทรงเรียกนะครับเพื่อเปลี่ยนโลกการอธิษฐานนั้นเป็นการทรงเรียกเพื่อเปลี่ยนโลกนะครับเมือ่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระไถยของพระองค์นั้นเรากําลังมอบท่าทีของเราแด่พระเจ้าบางคนทําตามน้ำพระทัยของเจ้าด้วยท่าทีที่ผิดครับเขาไปเคสหยักนะครับ แต่ใจอยู่ที่อื่นเมืเ่อเขาอาธิษฐานนะครับล้วกำลังคิดเรื่องอื่นๆเมืเ่อเขาถวายทรัพย์ใจก็คิดว่าหน้าจอาเงินนั่นไปตลาดหุ้นรู้สึกคิดเสียดายหรือคิดถึงบางสิ่งบางอย่างเช่นรถคันใหม่ชุดชุดใหม่ที่อยากจะตัดหรือบางคนอาจจะคิดว่าเวลาเราถวายทรัพย์ไปแล้วที่ส จ, จากนั้น ไม่ค่อยได้เอาไปทําอะไรเก็บไว้กับตัวดีกว่าบางคนก็คาดหวังว่าเมื่อเขาถวายพระเจ้าหรือคริดจักรก็จะต้องคืนเขาให้มากกว่าที่เขาถวายนั้นพี่น้องขับความคาดหวงังต่างๆเหล่าเนี่ยนะครับทําให้ให้เราไม่ได้อยู่ในนามไทยที่แท้จริงของพระเจ้าพี่น้องขับในเมื่อ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เราต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงครับแล้วเราต้องยอมให้เรานั้นเป็ น, นกลไกเป็นเฟืองตัวเล็กๆนะครับที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกิจการของพระเจ้าการอิจฉานั้นเปลี่ยนเราก่อนที่จะเปลี่ยนพระเจ้าครับบางคนมีท่าทีเฉยเมยนะครับปล่อยไปตามบุญตามกรรมนะครับทฤษฎีร เ, เราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมครับ เราเชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับและพระเจ้านั้นสงสาบทุกปัญหาของเราบางคนก็คิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดบางคนก็คิดในศาสนาเดิมก็คือเชื่อเรื่องโชคชะตาราศีชะตากรรมทีนึงครับอยากจะเรียนว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนหรืออาจจะเราเป็นึลูกหลังคริสเตียน เราจะมีความประวุ้ในเรื่องเอพิ่มพีในเรื่องนี้ไม่พอแต่พี่น้องครับอย่าให้เราไม่พอใจต่อ น, น้ําันไทยของพระเจ้านะครับเมื่อเราอ่านว่าขอให้เป็นเป็นน้ำมันไทยของพระเจ้ารเราไม่ได้ยอมแพ้แต่อน้ําันไทยของพระเจ้าอย่างเฉยเฉยเพียงเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่เราต้องตั้งใจครับตั้งใจยอมจนนํานนกับแผนการของพระเจ้าด้วยความคาดหวังและยินดีที่จะทำตาม เพราะการอธ <homepage. S 1> ิษฐานนั้นจรึงเป็นวินัยส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นสาวกที่ทุ่มเทได้ครับพี่น้องฟังอีกครั้งนะครับการอธิษฐานเป็นวินัยส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นสาวกที่ทุ่มเทการอธิษฐานเป็นวินัยส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นสาวกที่ทุ่มเทครับพี่น้องครับบางคนนั้นก็อาจจะมีคําถามนะมีปัญหาทางด้านศาสนาศาสตร์เกี่ยวกับคำอธิษฐานของเยซู เขาเชื่อว่าน้ำมัทไธของพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์เท่านั้นและไม่ได้เกิดขึ้นกับเราในโลกนี้ครับคนเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าน้ำมัทไธของพระเจ้านั้นใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพระกัมพีเท่านั้นไม่เกิดในเวลานี้ครับผมอยากจะบอกว่าน้ำมัทไธของพระเจ้านะครับสําเร็จได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นส่วนตัวสําหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ ที่ปรุงทรงรักแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนบางคนสอนไม่ถูกนะครับว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีเพื่อคนที่อยู่ใต้บัญญัติในพันธสัญญาเดิมแต่จริงๆไม่ใช่ครับหรือบางคนบอกว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีไว้สาหรับคนที่อยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าปกครองในอนาคตเขาใช้คำอธิษฐานของพระเยซูสำหรับยุคของชาวยิวครับ เขาอ้างว่าพระเยซูสอนคําอธิษฐานก่อนที่พิョンพระองค์จะทรงสิ้นพชนทําให้สิ่งนี้เป็นคำอธิษฐานพันธสัญญาเดิมครับไม่ใชพันธสัญญาใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าหัวเราะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพระเยซูสอนในเชตติ้งของพันธสัญญาใหม่แล้วครับก็คือได้ปิดฉากพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาเดิมนั้นปิดฉากก่อนหน้านั้น400ปีด้วยซ้าครับพี่น้องครับ ปอสกา s ฟิสจากนั้นไดสอนว่าคำอธิษฐานของเยซูมีเพื่อริสจักรครับเพื่อวันนี้เพื่อทุกๆวันและก็ตลอดไปเพื่อคนทุกคนในโลกนี้เพื่อคนที่อยู่ที่สหรัฐอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ญี่ปุ่นหรืออยู่ที่เมืองไทยก็ตามนั่นก็คำอธิษฐานนี้มีไว้สำหรับทุกคนในโลกในเวลานี้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับ ทำอธิษฐานของพระเยซูจะช่วยเราให้พบแผนการของพระเจ้านี่เป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้เราสามารถพบแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราได้ถ้าเราจะอธิษฐานทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันนะครับว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์โดยมีท่าทีที่ถูกต้องคือท่าทีแห่งการเชื่อฟังนะครับท่าทีแห่งการดําเนินชีวิตตามท่าทีแห่งการไว้วางใจกนะับท่าทีแห่งการเชื่อมั่นว่า เราต้องเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนพระเจ้าและการิจฉา น, นั้นเราต้องถือว่าเป็นในส่วนตัวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้กลายเป็นสาวกที่ทุ่มเทได้เมืเ่อเราเชื่อเช่นนั้นนะครับธรรมอิจฐานของพระเยซูก็จะช่วยเราให้พบกับแผกนการและน้ํามบไตรของพระเจ้านะครับแผนการของพระเจ้ามาถึงคนที่อยู่ในการปลดแอกจากความผิดความบาป พระเจ้าจะนําพวกเราเข้าไปในแผนการของพระเจ้าแ น, น่นอนครับพี่น้องครับท่านชื่ออย่างนั้นหรื อ, ปอรเปล่าผมมิจานขอให้พระเจ้าทรงนําพวกเราทั้งหลายทุกคนครับในการที่เราเองนั้นจะอยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ธรมิจานของพระเยซูนี้ทําให้เราได้มีโอกาสเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นและช่วงเทศกาลเลนต์ L E N T เลนต์หรือเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ ก็เป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องได้ไอดิษฐานทำอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูและขอให้ข้อนยันบ่อยสุดที่จะเจิมพวกเราทั้งหลายแต่ละคนครับพี่น้องที่รักและเคารพอาเมน